ตอั้นะเกิดหลวงพว่อพระสงฆ์องค์เจ้าคุณครูาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ ะ, จะเจริญธรรมคุณครูและเด็กๆทุกคนค่ะลูกฝึกสร้างเกียงหวะไปนะลุกนะลูกได้อ่านหนังสือพิมพ์ไหมเมื่อตะเร็วนนี้เข้าลงหนังสือพิมพ์ว่า คนที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายยกมือจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยมองเพลินจะเหมือนเด็กทุกโซนแต่ว่ามันทำให้สมองมีไหวพริบเฉลียวฉลาดนะคะมันป้องกันอันไซเมอร์เพราะนั้นคนที่นั่งแช่เฉ ย, ยไม่ทำอะไรนี่ก็คือการแช่อยู่ในความโมหะ เพราะว่าจิตแม่บอกว่าจิตมันเป็นท่ารู้ใช่ไหมล่ะมันจะกําหนดรู้ทุกขณะจิตจะมันดับไปและทุกขณะจิตที่มันแฝบรู้เนี่ยมันรู้อะไรมันรู้โมหะหรือมันรู้พุทธะเพราะฉะนั้นการที่พระสอนให้ลูกยกมือและให้มีสติทุกยังวะนั้นก็คือลูกเอาตัวรู้นี่มันไปกําหนดอยู่กับพุทธะไม่งั้นมันก็จะไปกําหนดอยู่กับโมหะมันสะสมโมหะมาก มันก็จะได้ไปเกิดเป็นเดรัจานที่แม่เตือนลูกแล้วกิดที่นิ่งๆช่แช่ไม่พัฒนานะมันมันจะไปเกิดเป็นเดรัจานลูกไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นที่เขาร่ำรวยนั่งเอเต้คงสบายเนาะคงสบายนะยนะยนะไม่ใช่ลูกนะสบายของพุทธพุทธิาบอกให้ตรวจสอบควาสอนของท่านได้ธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นไปเพื่อความเป็นคนยอดขยัน ที่พระท่านสอนลูกเมื่อกี้นี้แม่ก็พิสูจน์แล้วพ่อจริงท่านสอนว่าการที่ลูกยกมุ่ยบ่อยนั้นมันจะมีผลในการที่ลูกกลายเป็นคนยอดขยันเมื่อลูกกลับไปบ้านหรือกลับไปโรงเรียนลูกจะตื่นตัวขึ้นมารับรู้และตั้งใจเรียนโดยอัตโนมัติโดยลูกไม่ต้องไปฝืนเลยลูกจะขยันพ่อแม่จะผิดสังเกตว่าลูกทำไมขยันกัปกติ มือเขาจะไม่ว่างจากการทํางานน่ะเขาจะทํางานปวาดบ้านถูกบ้านทํานั่นทำนีน่และฟังดีนะลกูกน้ําำร่องกระออมเสียงอึงมี่ใช่ไหมลกูกกระป๋องใส่น้ํำนี่ถ้าหากว่าใส่น้ําน้อยกระแป๋งใส่น้ําเนี่ยถังน้นํานี่ถ้ามีน้ําน้อยเวลาหาไปนี่มันจะดังปังแป้งปักแป้ปงปมันจะกระแทกมันจะกระแทกแอ่์ปี๊บหรือว่ากระป๋ น้ำพร่องกระละออมเสียงอึงนี้ถ้ามีน้ำอยู่ป้นกระป๋องนม่นเบียดมันจะดังกระป๋องจะดังอึงนี้แต่น้ำเต็มกระละออมีเงียบฉี่มีคำสอนท่านอาจารย้ท่านลูกนะน้ำพร่องกระละออมเนี่ยเสียงอึงนี้น้ำเต็มกระละออมนี่เงียบฉีเพราะฉะนั้นลูกสังเกตนะหน้าปวดที่ท่านมีคุณธรรมมากผลยิ่งสูญท่ คนมาหยาบยาบมากเนะี่ยท่านจะพยายามไม่พูดคำหยาอยู่แล้วเ พ, พาวราะพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นะลูกไม่ฆ้าหรือทำลายประโยชน์ตนแม้เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแม้มากแม้จะทำให้นักเรียนพระดีชควตั้งสามพันเป็นคนดีหมดแต่ต้องใช้ความรุนแรงได้ด่าว่าด้วยคำหยาคายอย่าไม่ทา พรดีชนโฟนเข้ามาอีกถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไม่ต้องมาเพราะวันนี้ช่วงนี้ได้ใช้คําหยาบได้ใช้ความรุนแรงได้พยายามทุกขีทางเพื่อที่จะแก้ไขให้ทุกแล้วเมื่อรูปปรับได้แล้วให้มาคราวหน้าต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าท่านจะไม่สอนคนที่ซ้ํำซากอยู่ในความหยาบซ้ํำซากอยู่ในความหยาบ วันนั้นแม่พูดให้ลูกฟังแล้วผู้เจ้าตรัสว่าสิ่งข้อสเนี่ยพอพูดเฟิร์เจอร์ใช่ไหมที่ลูกทํากันเนี่ยลูกเป็นคนน่ารักมากและเข้าใจว่าการพูดแซวกันเฟเจอร์นี้มันเป็นของดีอ่ะมันเป็นสวรรค์ชั้นเลวมันจะทําให้ลูกตยากอะครับไม่เป็นสวรรค์ชั้นเลวจริงลูกเป็นคนมีบุญบารมีมาก ถ้าลูกเป็นคนภูมิสัสตว์โรคลูกจะตกอยู่ในสลัมและพ่อแม่กิรเมยามจะทุบตีลูกจะประสาทเสียแล้วลูกไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่แล้าลูกมีบุญมารณีรู้ไหมฟังนะลูกนะพูะเจ้าตรัสว่าผิดศีลสี่ข้อสี่มีอะไรร่างแม่บอกไปแล้วข้อหนึ่งพูดปดเนีะ่ะถ้าทำมากได้เกิดเป็นคนไหมไม่ได้เกิดเป็นคนเลยถ้าทาน้อยที่สุดได้เกิดเป็นคนอยู่แต่จะถูกตู เธอได้ยินเรื่องคดีเชอรีร่แอนไหมคนที่ฆ่าเชริแอนน่ะไม่ได้ติดคุกแต่คนที่ถูกตู่ทวงด้วยส้ ม, ม่จริงเนี่ยเข้าไปติดคุกตั้งหลายคนน่ะและบางคนเสียชีวิตอยู่ในคุกด้วยเพราะเข้าคุกเป็นสิบปีลูกคิดหซิเร็วๆ เ, เนี่ยก็ลงนักสืมพ์อยู่พอพ้นคุกออกมามาต่อสู้อีกทีคณะที่ฆ่ามอยู่ข้างนอกหมดเลยฟังนะลูกบุญกรรมแม่สอนแล้วอย่าดูหมิน่นบุญกรรมว่าทําน้อย จะไม่ต้อตามต้องสนองผลดูตุ่มน้ําเปิดไงรักษาชนย่อมเต็มลน้นด้วยอุท์ที่ตกลงเด็กคนหนึ่งตอนอายุห้าเก้าขวบพ่อแม่ยังมีชีวิต อ, อยู่เขาถูกพาไปวัดต่อมาเขาอายุสิบห้าปีนะ่ยแม่ก็เสียพ่อมีเมียใหม่เขาตัวคนเดียวลูกโผนะ่ะเขาทุกข์จะเป็นบ้าไม่รู้ที่พึง่งเด็กอายุแค่สิบห้าปีให้เรียนหนังสือไม่ได้จบโังเรียนพิยอมเหมือนเคยเขาคิดถึงความหลังตอนเขาุ แม่เคยพาไปที่นั่นนะ่ะเพราะปัดกลับไปที่วัดที่แม่เคยอยู่แม่เคยเป็นครูสอนนักเรียนวิชาตัวเล็กเขารอดชีวิตอีกครั้งหนึ่งลูกเพราะความจำตอนยุคเก้าขวเองนะลูกนะย่าดูมิม่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยต่างต้องสนองผลดูตุ่มงามเปิดไายรับสายชดย่อมเต็งล้นด้วยุชกที่ตกลงให้กราบไหว้พ่อแม่ครูบาจารย์จะเรื่กงว่าเป็นเรื่องยิ่งน้อยเดินผ่านคุณครูครั้งหนึ่งนอบน้อมเคารพนิ่ง จะจำเลยเด็กคนนี้คงจะพอบอกได้อยากช่วยเหลือก็จะช่วยถ้าลูกกระด้างเยอะอยิง่ง ค, คุณครูคิดจะช่วยก็มันหนักเกินไปน่ะที่จะฝ่าฟันความอยากของผู้อื่นใช่ไหยการพูดเพอ้อเจอ้เหลวไหลการพูดเพอ้อเจอ้เหลวไหลถ้าพูดมากมากที่ลูกพูดกันน่ะที่แม่ไม่เบรกลูกเลยเพราะลูกโมหะไม่รู้เท่าทันหรือว่าเป็นเรื่องสนุก มันยัไม่ได้เกิดเป็นร่างมนุษย์แม้จะเตือนไว้นะลูกนะแต่ถ้าลูกมีพูดบ้างเล็น้อยเกิดเป็นร่างมนุษย์อยู่แต่ว่าลูกจยากมีลูกมีเมียเขาก็ไม่เชื่อฟังเธอไปเป็นครูสอนนักเรียนนักเรียนก็ไม่เชื่อฟังนะลูกนะการพูดนี่เรื่องสำคัญมากจะไปตกนกรกพวิอยาตรัพไปแล้วพูดสอนเสียทําไงลูกทําให้แตกจากนี้พูดคําหยาบไปไงลูก พูดคำหยาบทําทให้เราไปเกิดเป็นคนผู้เสียงหยากพูดตวาดพูดคำหยาบเป็นนิสัยไปนั่งอยู่ที่ไหนคนก็มาพูดคำหยาบใส่ตัวเองนะลูกนะสี้ข้อสีข้อเดียวนะที่เขาทะเลาะบอกไว้ค่าแกงกันเป็นบ้านเป็นเมืองร่มจมแะเรื่องสิข้อสีข้อเดียวนี่แม่ไม่ได้พูดรายละเอียดมากแต่แม่เห็นน้ําใจและความงดงามของลูกทุกทุกค จะมีโมหะและอ่ามีบกพร่องแม่ก็ชมลูกว่าแม่ไปชมให้ใครต่อใครฟังว่า mm hmm. เด็กที่มากลุ่มนี้ทั้งคุณครูแม่ยังพูดให้ทั้ลองฟังเลยเด็กกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นคนเลียนนะท่านอาจารย์พื้นฐานเขาเป็นคนดีมากเขาก็ไหลไปตามโลกไปอย่างนั้นแหละเอาอย่างทีวีไปมันก็เลยเป็นอย่างนั้นกับพวกเพื่อนเกี่ยวกันเหมือนเด็กหนะ่าซื่ อ, อเขาได้เป็นคนหลุดพื้นฐาน เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสูงส่ง่นั้นแม่ขออวยพรให้ะระลึกถึงความหลังที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนะลูกแค่หกวันก็ตามทูกได้ไปเดินเขาด้วยกันไม่เห็นน้ําใจและความเป็นคนดีของลูกเลยนะนักเรียนจริงก็ตามลูกเป็นคนน่ารักมากน่ารักนะล่ะขนาดแม่สอนแค่วันสองวันเองตัวลูกเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะแม่พูด ก, กับลูกแค่สองสามครั้งใช่ไหม ที่พูดอบรมอย่างเงี้ยน้อยมากแค่พูดนิดหน่อยเองถ้าลูกได้พบกับแม่บ่อยๆแล้วก็มาเลยเป็นหมื่นเลยนะักเรียนไม่ถกให้ถ้าแม่ได้พูดบ่อยๆคุยกับลูกบ่อยๆคุยกับลูกบ่อยๆลูกจะสร้างเมืองคุณธรรมให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของลูกไทยลูกผู้ชายก็เป็นอย่างนี้นะลูกจําไว้นะศัก์ศรีของลูกผู้ชายลูกผู้ชายนั้นถ้ารู้ว่าอะไรดีจริงก็จะบุกจนถึงสุ ด, สดๆก็จะมีความมุ่งมั่นบ ใจเมตตาลูกมากอยู่แล้วและทุ่มให้ทุกอย่างขอให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขลูกต้องร่วมมือกับคุณครูนะลูกนะแม่ขออวยพรขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขแม่ก็ไม่ใช่คนกรยันพูดเท่าไหร่นะแสดงว่าแม่เอ็นดูลูกมากและลูกมีบุญมากที่แม่ยอมตัดสินใจพูดกับลูกเพราะอำนาจของปัตมีของลูกเองพระอาจารย์มิบุยังมาอยู่ในที่นี้ได้เลยแม่เคารพท่านมากลูกลงมาขบคุณกับพระอาจารย์ที่นี่เพราะแม่รู้ว่า คือผู้เจ้าวศ ส, สีน ร, รู้ได้ด้วยการพบกันนานเมื่อเราเข้ามาคบกุณคุอนเม่เราจึงรู้ว่าคนที่อยู่พื้นที่นี้ไม่ว่าไม่ขีก็นตามลูกไปกราบไหว้ท่านนะก่อนจะไปผู้คนที่นี่เนี่ยพระสุของ์เจ้าที่รู้จักกับแม่คุณครูถ้าไม่ดีจริงแม่ไม่ไม่ให้การช่วยเราหรอกแม่จะช่วยทีมอื่นที่แข็งแรงแม่ขออวยพรให้ลูกเดี่ยวจนเป็นสุด ข, ขลูกนะความดีที่แม่สอนไปนะ